ก็รับหน้าที่เฉลยคำถามเรื่อว่าการเห็นแจ้งในอารมณ์ฝ่ายอิทธารมและก็อนิธารมอิทธารมก็คืออารมณ์ดีอารมณ์ที่เป็นความสุขคืออารมณ์ที่เราชอบใจอนิธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่ดีเราไม่ชอบใจอารมณ์ที่เป็นความทุกข์เกิดการอึดอัดขัดเคืองเนี่ยนี่คืออารมณ์อารมณ์คืออะไร อารมณ์นี่ก็คืออาหารของจิตใจท่านนคืออาการของจิตจิตต้องมีอารมณ์ก็มาปรุงแต่งสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตเนี่ยเรียกว่าอารมณ์ซึ่งไม่ใช่จิตจิตก็คือผู้ที่รู้อารมณ์ถ้าจะอุปมาณนะจิตก็เป็นเสมือนใบไม้อยู่นิ่งๆอารมณ์ก็คือลมที่พัดมามาถูกใบไม้ทำให้ใบไม้เนี่ยสั่นไหวไป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 เป็นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสีน่หลักของการเจริญสติปัฏฐาน4นี่นั้นท่านมีว่าให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสัมราชัญญะทำลายอภิชาระโทมนัสอภิชาก็คืออารมณ์ดีโทมนัสเกี อ, อ, า อ, อารมณ์ฝ่ายไม่ดีก็เรียกว่าอิทธารมกับอนิธาลมเหมือนกันทำลายไม่ถึงว่าให้รู้ทันรู้ทันแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะหลุดออกไปจากจิตใจของเรา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 การไม่ชอบาอารมณ์แบบนี้ทําให้จิตเราเนี่ยมันไม่สงบจิตไม่เป็นปกติไม่เป็นกลางแล้วก็มุ่งหลอยงเนี้ยพอเจอความวุ่นวายเราก็ไม่ชอบเจอความสงบเราก็ชอบการได้ดูได้ฟังได้ดมกลิน่นได้ลิ้มรสในสิ่งที่เราชอบใจเราก็มีความสุขส่วนเราไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ได้ยินใจเราเราก็มีความทุกข์ก็เนี่ยจิตเราก็จึงวิ่งขึ้นวิ่งลงคลุมดีคลุ้มล้าอยู่อย่างงี้แหละจิตไม่เป็นกลาง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 ก็ยังเป็นกลางอยู่จิตยังเป็นปกติเป็นกลางเพราะว่ามีความรู้สึกตัวดูแลรักษาอยู่จะไปเป็นกลางไม่เี่ยงซ้ายเี่ยงขวาไม่คลุ้มดีคุ้มร้ายจะเป็นปกติอันนี้เรียกว่าอยู่เหนืออารมณ์เหนืออารมณ์ฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอันนี้เรียกว่าจิตพน้นพ้นไปจากอารมณ์พ้นไปจากอารมณ์คือพ้นไปจากโลกโลกก็คืออารมณ์ถ้ า, ามีสติ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 วันนั้นก็มียาติธรามท่านหนึ่งไปถามว่าหลวงพ่อมักจะพูดว่าพูดดูคําว่าพูดดูเนี่ยมันก็มีตัวมีตัวพูดดูอยู่อ๋อหลวงพ่ออยากเฉลยมากคําเนี้มีคนถามบ่อยนะเขาว่าพูดดูมันมีตัวเป็นผูดดูนะหลวงพ่าเฉลยว่าอย่างไรไหมท่านบอกว่าโอ้นั่นเป็นคําพูดพูดดูเป็นคําพูดถ้าไม่พูดเราพูดดูเนี่ยเราจะพูดก็ไม่รู้เรื่องเลย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 มาสื่อในโลกสมมุติไม่ได้และผู้ฟังก็จะไม่เข้าใจเราต้องรู้ว่าอะไรคือสมมุติอะไรคือของแท้ผู้ดูเป็นเพียงแค่สมมุติพูดแต่มีสภาวะรองรับอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เจริญสติไปนานๆเนี่ยสติใหม่ๆก็คือสติตานสัญชตญาณรู้ตามสัญชตญาณที่จะรู้ได้แต่เมื่อเจริญสติจากสัญชตาตญาณไปนานๆแล้ว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 อุปนิสัยที่ชอบคิดชอบปรุงชอบแต่งเนี่ยต้องมาฝึกตรงเนี้ฝึกให้จิตมันเคยชินที่จะรู้สึกให้จิตเป็นปกติมากกว่าที่ฝึกให้จิตมันคิดมันปรุงแต่งซึ่งเป็นนิสัยเป็นความเคยชินของเราจําเป็น ต, ต, ออต้องอาศาัยการเจริญสติช่วยจิตช่วยใจเราบางทีต้องช่วยเขาช่วยในความคิดมันก็ไม่ได้จะคิดเอารู้เอามันก็ไม่ได้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 พระพุทธเจ้าท่านก็หลัสุแล้วท่านก็ไม่หนีไปไหนนะท่านมาเกื้อกูลโลกเพราะนั้นเราเป็นลูกศกิษย์ยพุทธเจ้าลูกศิษย์รุ่นหลังๆเนี่ยเราก็ควรจะเจริลยอยตามท่านโดยสายการปฏิบัติแบบท่านนี่แหละการเจริญสติรู้ที่ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินจงกรมแต่ละก้าวก็รู้เคลื่อนไหวแต่ละครั้งก็รู้ให้รู้สึกเพื่อเป็นการ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 คลุกเคล้ากับอารมณ์เหล่านี้แล้วอารมณ์นี้อารมณ์ดีถ้าเสพแล้วมีความสุขถ้าสุขจนเผลอแล้วก็ติดอารมณ์ติดอารมณ์ดีเนี่ยก็แสวงหาแต่อารมณ์ดีเล่นในโลกเนี่ยมีอารมณ์ดีอย่างเดียวหรือมันก hmm. ็ม so ีส่วนที <t Air> ่ไม่ดีด้วยถ้าเราติดในอารมณ์ดีอ่าถ้าเจออารมณ์ไม่ดีแล้วก็ติดในไม่ดีเหมือนกันเพราะมันมีการติดเนี่ยเหมือนมีดด้ามนึ่งจับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีทั้งทางคมทางสันเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์ดีมากระทบเออเราก็มีสติรู้ไว้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 เพราะคำเขียนได้บอกว่าชีวิตเรานี่มันต้องมีทั้งอิทธาลมและอนิธารมเราจะเอาชนะอารมณ์นี้ได้ยังไงก็โดยการเจริญสติ